คนโกรธยากคือคนที่ไม่ทำให้โลกนี้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่คนโกรธยากหายเร็วเป็นพวกเดียวที่ทำให้โลกนี้เย็ยนลงได้บุญที่ทาให้เป็นคนโกรธยากไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทานแต่เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพย์พยทานขึ้นมาเป็นอภัยทานกล่าวคือเมื่อไม่ห่วงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแค้นความพยาบาทอาฆาตด้วยผู้มีฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นเเรื่องเล็กก็ชุนขาดอลวาวได้หมดนานไปก็เป็นคนโกรธง่ายหายยากแม้จะสั่งสมทรัพยท า, านไว้มากมีความรู้ในการสร้างสุขแค่ไหนหรือกระทั่งเจริญสติมานานนมเพียงใดก็ตามการเจริญสตินั้นหากเอาแต่ดูกายเอาแต่พยายามนิ่ง ไม่เห็นความเป็นอนิจจังของจิตไม่รู้จักยอมรับตามจริงว่ากำลังโกรธไม่ใจเย็นพอจะเห็นความหายไปของโทสะอย่างนี้ก็เป็นพวกมีมาณัตตายัางอยากข่มคนอื่นได้อยู่เป็นเหตุให้โกรธเพื่อกูไม่เลิกสำหรับคนที่สะสมความโกรธมามากแล้วกี้โมโหไปแล้วจะเริ่มต้นแก้กันอย่างไรดี ก็เริ่มจากการเพิ่มความเย็นให้ตัวเองเช่นด้วยการสวดอิติปิโสทุกวันถ้าวันละหลายรอบแล้วก็ดูความสงบสุขทางใจที่แตกต่างกันในแต่ละรอบไปด้วยก็เรียกว่าได้เจริญสติเห็นความต่างทางใจไปในตัวถ้าทำได้ทุกวันจนรู้สึกเหมือนคนมีทุนไม่ใช่ไร้ทุนคุณจะสังเกตเห็นความร้อนตอนโกรธได้ง่ายขึ้นเพราะมันขัดกันกับความเย็น ไม่เข้าพวกกันกับความเย็นที่เราตุนไว้มากแล้วเห็นบ่อยๆเข้าว่าร้อนตอนโกรธเป็นอย่างไรในที่สุดคุณจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงของความร้อนได้ร้อนมากตอนโกรธแล้วในเวลาต่อมาก็เห็นร้อนลดร้อนน้อยและกระทั่งร้อนหายเนี่ยแหละขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวเองได้ในชาติเดียวจากความเป็นคนขี้โมโหโกรธง่าย กลายเป็นคนเยือกเย็นโกรธยากกล่าวโดยภาพรวมเราต้องออกจากทางร้อนด้วยการผ่านทางร้อนเราต้องอาศัยความโกรธนั่นแหละเป็นบทฝึกสายลมเห็นการอภัยต้องฝึกสร้างกันนานๆช่วงแรกๆจะพบว่าถ้าทำได้ครั้งหนึ่งก็จะเป็นกาลังให้ครั้งต่อไปและจะพบว่ามีพลังหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆ มายิ้มบัรเจริดในโลกที่กาลังมืดมนอนตะการกันเถอะเมื่อถูกกระทบแล้วไม่โกรธเป็นปกติสะท้อนว่ามีกุศลจิตเป็นปกติรอยยิ้มอันบันดาลจากกุศลจิตคือรอยยิ้มที่บรนเจิดที่สุดที่มนุษย์จะยิ้มได้ในโลกที่กําลังโหยหารอยยิ้มกันอยู่ทุกวันนี้